ออกเที่ยวเตรหากินอยู่ในป่าด้วยกันเป็นนิจสินครั้นอยู่มามีชาวนาคนหนึ่งจากหมู่บ้านเล็กๆใกล้เมืองพาราสีดันด้ น, ดนเข้าไปในป่าเพื่อจะเสาะหาไม้ชนิดนึงมาทำเควียนแต่ว่าโชคร้ายในตอนขากลับขณะนั้นเป็นเวลาตะวันตกดินแล้วชาวนาผู้ไม่สันทัดในหนทางในป่า น, นั้นก็ตกลงไปในแม่น้ำอันเชี่ยวกรากสายหนึ่ง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 แห่งกายของข้าพเจ้าก็ย่อมเป็นที่ต้องการของมนุษย์ใจโหดบางคนอยู่ถ้ามนุษย์พวกนี้รู้ว่ามีควางเช่นข้าพเจ้าเขาคงจะยกพวกพากันมาล่าตัวข้าพเจ้าเป็นแน่ข้าพเจ้ารู้จักจิตใจของมนุษย์บางจําพวกเหล่านี้ดีจึงได้พยายามหลบมาซุ่มซ่อนอยู่ในป่าเปลี่ยวแห่งนี้ไม่ให้ใครได้มีโอกาสมาพบเห็นโอ้ยถ้าเป็นเช่นนั้นข้าพเจ้าขอให้สัตว์ปฏิญาณว่า